ตายแล้วไปไหนได้บ้างหัวข้อเปรตภูมิการขาดแคลนน้ําใจต่อเพื่อนร่วมโลกก็คือการสร้างภพที่ขาดแคลนความชุ่มเย็นต่อตนเองแม้จิตวิญญาณในปัจจุบันก็แห้งแล้งเหมือนดอกไม้ขาดน้ําแต่ดอกไม้ขาดน้ํายังไม่ใช่เครื่องหมายของความทุกข์ที่ชัดเจนผลของจิตวิญญาณที่แห้งแลง้งคือกายใหม่ที่ขาดน้ํากระหายหิว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 ถ้าเดินอยู่บนทางที่จะนำตรงมาสู่ต้นไม้นี้ได้ในที่สุดเขาก็จะพักนั่งนอนอย่างไม่เป็นสุขกับทั้งยังหิวกระหายไม่เลิกข้อความจากมหาสีนาทสูตร 1. เปรตตนหนึ่งชื่อว่าอธิสังคลิกมีแต่ร่างกระดูกลอยอยู่ในอากาศฝูงแรง้งเหยี่ยวและนกตะกรุม่ม พากันโฉบอยู่ขวักไขว่จิกสับโดยแรงจิกถึงยื้อแย่งตามช่องสิโครงสะบัดเปรตนั้นไปมาเปรตนั้นได้แต่ร้องครวญครางอยู่เขาเคยเป็นคนฆ่าโคในพระนครราชครื่ น, นี้เองด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเขาหมกไหมอยู่ในนรกช้านานกว่าจะขึ้นมาได้อัตภาพนี้ด้วยเศษแห่งวิบากแห่งกรรมที่เหลืออยู่ 2. เปรต Biology ตนหนึ่งชื่อว่าสูจ ก, กะลมมีร่างเป็นชายมีขนเป็นเข็มลอยอยู่เหนือพื้นเข็มเหล่านั้นของมันทิมเข้าไปในศีรษะแล้วออกทางปากทิมเข้าไปในปากแล้วออกทางอกทิมเข้าไปในอกแล้วออกทางท้องทิมเข้าไปในท้องแล้วออกทางขาทั้งสองทิมเข้าไปในขาทั้งสองแล้วออกทางแข้งทั้งสอง ทิมเข้าไปในแค้งทั้งสองแล้วออกทางเท้าทั้งสองเปรตนั้นร้องครวญครางอยู่เขาเคยเป็นคนช่างส่อเสียดอยู่ในพระนครราชครุนี่เอง 3. เปรตตนหนึ่งชื่อว่ากุมภันทะมีร่างเป็นชายมีอันทะโตเท่าหม้อมีลูกอันทะใหญ่ขนาดที่เดินไปก็ต้องยกอันทะขึ้นพาดบ่าไป พอจะนั่งก็นั่งบนอันทะนั่นแหละเขาเคยเป็นผู้พิภาคษาโกงชาวบ้านอยู่ในพระนครราชครุนี่เองสเปรตตนหนึ่งชื่อว่าคูดนิมุขะมีร่างเป็นชายจมอยู่ในหลุมขี้ท่วมหัวเอามือทั้งสองกอบขี้กินเขาเคยเป็นพรามผู้ชั่วช้าอยู่ในศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า พราหมณนั้นนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ด้วยพัตตาหารแล้วเทขี้ลงในรางจนเต็มและได้กล่าวคํานี้ว่าขอท่านผู้เจริญทั้งหลายจงฉันอาหารและนําไปให้พอเกียความต้องการเถิดด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเขาหมกไหมในนรกช้านานกว่าจะขึ้นมาได้อัตภาพนี้ด้วยเศษแห่งวิบากแห่งกรรมที่เหลืออยู่ห้า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 นางเคยเป็นอครมเหสีของพระเจ้ากาลิงคะเป็นคนขี้หึงได้เอากระทะเต็มด้วยฐานเพลิงคลอสตรีร่วมพระราชสามีเจ็ดเปรตตนหนึ่งชื่อว่าอสีสกักพันทะมีสีสัก ข, ขาดลอยอยู่ในอากาศตาและปากของมันอยู่ที่อกเขาเคยเป็นเพชฌฆาตผู้ฆ่าโจรชื่อธามริกะ อยู่ในพระนครราชครืกนี่เอง 8. ปเปรตตนหนึ่งชื่อว่าภิกษุลอยอยู่ในอากาศสังคติบาทประคตเอวและร่างกายถูกไฟติดลุกชนเปรตนั้นร้องครวญครางภิกษุเปรตนั้นเคยเป็นภิกษุผู้หลามกในศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อความจาก จะตุททะปาราชิกสิกขาบทว่าด้วยการอวดอุตริมนุสธรรมํำให้การของเปรตเมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นสมณะลามกมีวาจาชั่วแต่สำรวมกายตามพระวินัยด้วยการสำรวมดีในพรหมจรรย์ น, นั้นในอัตภาพนี้จึงได้แล้วซึ่งผิวพันธ์ดังทองแต่เพราะกล่าววาจาส่อเสียดไว้มาก ในอัตภาพนี้จึงมีปากที่เหม็นเน่ามนุษย์ทั้งหลายหากฉลาดก็จงอย่าพูดส่อเสียดอย่าพูดมุสากันเลยแล้วจักเป็นเทพเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยสิ่งน่าใครข้อความจากปุติมุกเปตาวะัตถุข้าเป็นเปรตที่ช่องปากเข้ารูเข็มลำบากยิ่งนักเปลือยกายสู้ผอม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 ครั้งนั้นเหล่าญาติของหญิงร่วมสามีโกโรธพากันมาสักไซไ ล, ล่เลียงเอาเรื่องและท้าให้ดิฉันสาบานหากแน่ใจว่าไม่ได้ทำดิฉันสาบานด้วยอาการมุษาอย่างแรงว่าถ้าทำชั่วเช่นนั้นจริงก็ขอให้ดิฉันต้องไปกินเนื้อบุรเถิ ด, ดมาบัดนี้ดิฉันจึงมีกายอันเปื้อนด้วยหนองและโลหิตเวลาเช้าคลอดบุดห้าตนเวลาย็นอีกห้าตน และกินบุตรเหล่านั้นหมดแต่แม้บุตรถึงสิบตนก็ยังไม่อาจบรรเทาความหิวของดิฉันหัวใจของดิฉันเร่าร้อนอยู่เป็นนิดด้วยความหิวนั่นเพราะวิบากแห่งกรรมคือการทำให้คันตกหมายเหตุหรือทำให้เกิดการแทงและโกหกเอาตัวรอดข้อความจากปัญจบุตธคขาทิกะเปตตววัตถุ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 แล้วท่านจงตั้งจิตอุทิศบุญให้แก่ดิฉันเถิดข้อความจากคลาตยะเปตะวัตุดูก่อนเทวีผู้มีรูปร่างน่าดูน่าชมเราปรารถนาเพื่อจะอยู่บันเทิงกับท่านในสวนนันทวันของท่านนี้เราจักต้องทำกรรมอันใดจึงเป็นเหตุให้ได้มาอยู่ร่วมกับท่านข้อความจาก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 เทียบได้กับร่มไม้ใบบางบนทางกันดารพื้นที่แถวนั้นก็ไม่ราบเรียบมีความครุกคลนั่งนอนไม่สบายก็แปลว่าเส้นทางสู่ความเป็นเปรตคือจุดกลางทางหนึ่งที่ไม่ช่วยทุเลาความทุกข์ร้อนจากการเดินทางเลยเคยร้อนมาอย่างไรเคยหิวมาแค่ไหนก็ยังร้อนและหิวเกือบเท่าเดิมนั่นเองและถ้าฝนตกแดดออกเมื่อไหร่ ทุกก็เข้าถึงตัวได้เต็มที่เมื่อนั้นเปรตภูมิจึงให้ความสุขและความทุกข์แบบลุ่มๆุ่มดอนดอนอยู่อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับนรกภูมิและเดรัชานภูมิแล้วก็นับว่าเปรตภูมิดีขึ้นมากกว่ากันมากไม่ถึงขนาดเป็นกับดักอย่างพอมีที่นั่งที่นอนโดยไม่เพิ่มความทุกข์ทรมานให้หนักขึ้นกว่าเก่าดังเช่นที่เปรตบางตน รูปงามชวนหลงซึงจนมนุษย์หนุ่มผู้ไม่รู้สำคัญผิดคิดว่าเป็นเทพที่ดาและลงทุนทำบุญทำกุศลเพื่อให้ได้ไปอยู่ด้วยหลังตายเลยทีเดียวเปรตที่มีวิมานอยู่เรียกว่าเวมานิกะเปรตที่ยังไม่ถึงขั้นเทพก็เพราะมีข้อบวกพร่องบางอย่างเช่นบาปแต่หนหลังทำให้ไรอ์อภรรหรือไม่ก็หิวโหยเป็นนิด จึงกล่าวว่าแม้เปรตชั้นสูงถ้าเอามาเทียบกับมนุษย์ชั้นสูงก็สู้ไม่ได้และเปรตชั้นสูงก็มักจะเพิ่งมาจากมนุษย์สดสดร้อนๆนั่นเองส่วนเปรตชั้นต่ำนั้นความทุกข์เทียบแล้วก็น้องๆนรกและความเป็นจริงก็คือพวกเนี้ยเพิ่งผ้นโทษจากนารกหรือไม่ก็มาจากสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเศษของบาปยังไม่หมด และต่อให้มนุษย์ชั้นต่ำที่เกิดอย่างแร้นแค้นก็ยังได้ดื่มน้ําอิ่มหนาบ้างต่างจากเปรตชั้นต่ำที่อดตลอดหิวอย่างไรก็ไม่ได้กินเว้นแต่ญาจะทําบุญอุทิศมาให้กรรมอันควรแก่ความลุ่มๆดอนๆเปรตชั้นสูงมักเป็นพวกที่ทําทานไว้มากแต่ศีลบางข้อบกพร่องอย่างแรง เปรียบเหมือนคนแต่งตัวผัดหน้าทาแป้งจนดูดีแต่กลับมีความเน่าในไม่ชอบอาบน้ำไม่ชอบทำความสะอาดเนื้อตัวและหนักกว่านั้นคืออานิยมการเกลือกล้วกับสิ่งแปดเปื้อนทั้งหลายส่วนเปรตชั้นต่ำเป็นพวกที่ทำทานไว้พอประมาณหรือไม่ทาเลยแล้วก็บวพร่องในศีลบางข้อชนิดเข้าขั้นสมควรแก่นรก เมื่อไปสู่ความเป็นเพื่อนกับเหล่าสัตว์นรกหรือเหล่าสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ผุดเกิดขึ้นมาในสภาพของเปรตเป็นอันดับต่อไปกรรมประเภทครึ่งๆกลางๆรุ่มๆดอนๆแบบคนตีสองหน้าหรือดีอย่างเสียอย่างอาจยกตัวอย่างโดยศีลได้เช่นหนึ่งช่วยรณรงค์อนุรักษ์สัตว์อย่างได้ผลในวงกว้าง แต่ว่างๆก็แอบเข้าป่าล่าสัตว์เสียเอง 2. เป็นครูสอนลูกศิษย์ได้อย่างจับใจให้เป็นคนซื่อแต่เผลอๆก็ยักยอกทรัพย์โรงเรียนเสียเอง 3. ให้สติกแก่คนคิดคบชู้สู่ชายสู่หญิงแต่ถึงตาตนก็ไม่พ้นเอาเสียเอง 4. เป็นแบบอย่างในการพูดคำจริงมาค่อนชีวิต บ้านปลายกลายเป็นคนลวงโลกเซเองห้าห้ามเด็กๆแต่ต้องเล่าแต่ตัวกลับกินวายไม่หยุดเซเองคงกล่าวโดยพิสดารให้ครบไม่ได้แต่โดยสรุปก็คือเป็นพวกเครื่องดีเครึ่งร้ายแต่ความร้ายมีกําลังแรงกว่าแล้วถามว่าคนที่เครื่องดีเครื่งร้ายในโลกนี้มีมากเพียงใดก็ต้องบอกว่าเกือบทั้งโลกนั่นแหละ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 คุณจะรู้สึกถึงความเป็นอัตโนมัติของจิตที่ยกขึ้นตั้งอย่างมั่นคงเบาใจไม่ตื่นเต้นกับการเผชิญหน้ามัจจุราชที่พุ่งเข้าถึงตัวโดยปราศจากสัญญาณเตือนใดๆเพราะส่วนลึกเชื่อมั่นว่ามีความดีเป็นที่พึ่งอุ่นใจพอแล้วพวกที่ตายขณะยังคาใจกับความรู้สึกผิดคล้ายแผลสดกลางอ ก, อกไม่ตกสะเก็ดเสียที หากไม่รีบทำคุณไถ่โทษให้ใจชุ่มชื่นเสียก่อนถึงวาระสุดท้ายอาจรู้สึกหนาวเย็นเห็นมิมิตคล้ายคนหลงป่าดิบที่มืดลึกและน่าสะเพร่งกลัวเขาเกิดใหม่จะเหมือนพลัดเข้าไปอยู่ในเมืองคนบาปที่ทุกคนน่าเศร้าและกำลังพยายามทำอะไรบางอย่างเพื่อหนีไปจากพันธนาการคือความรู้สึกผิดเฉพาะตน พวกที่ฆ่าตัวตายด้วยความฟุ้งซ่านจัดน้อยใจแรงอยากวยวายให้คนอื่นเห็นใจหรือให้เขารู้สึกผิดที่ไม่เอาใจใส่ตนในมิดช่วงสุดท้ายมักวก ว, วนแบบคนเถียงกับตัวเองไม่เลิกพอเป็นเปรตก็เดินวยวายพยายามกรากเข้าไปพูดให้ญาติมิดหรือคนรักสำนึกผิดแต่ถ้าฆ่าตัวตายด้วยอาการหดหู่สิ้นหวังหมดอะไรตายอยาก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 ถ้าก่อนตายมีความผูกพันกับผู้คนก็เป็นเปรตเมืองแต่ถ้าตายไปในโลกส่วนตัวก็จะเป็นเปรตป่าหรือเข้าสู่นครเปรตอันเป็นถิ่นเฉพาะที่เหมาะกับพวกติดบ่วงกรรมประเภทเดียวกับตนสภาพแวดล้อมของเปรตภาวะของเปรตมีทุกข์มากแต่ก็เว้นวรกบ้าง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 หรือหัวเป็นคนแต่ตัวเป็นสัตว์ก็มีแกนสารไม่ได้อยู่ที่ผิวนอกแต่อยู่ที่อาการเสวยทุกข์กล่าวคือความเป็นเปรตนั้นถ้าไม่หิวไส้กิว๋วก็ต้องโทษบางประการให้อับอายหรือไม่เช่นนั้นก็ขาดอะไรสักอย่างที่ก่อให้เกิดความโหยหาอะไรไม่เลิกดูอย่างโอคิลินีเปรต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 หนึ่งถ้าเปรตเป็นพวกมีกรรมหนักคือมีความหนักแน่นในภาวะนั้นเที่ยงที่จะต้องเสวยทุกข์ในสภาพนั้นก็ไม่มีใครช่วยได้ดังตัวอย่างเหล่าเปรตบนเขาคิดสกูดมีคูดนิมุขขเปรตเป็นต้นแม้เสวยวิบากมาหนึ่งพุทธันดรก็ยังไม่หลุดรอดไปไหนทั้งที่พระพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันต์เดินผ่านอยู่ทุกวัน